เรื่องเขียงเท้าสารด้วยหญ้าสามันสองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกรุงพาราณสีตามพระอัธยาศัยแล้วสเสด็จจาริกไปเมืองพัทยาเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงเมืองพัทยะแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าชาติยาวัน ในเมืองพัทยานั้นสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองพัทยาขวนขวายตกแต่งเขียงเท้าหลายชนิดคือทำเขียงเท้าย้าเองบ้างใช้ให้ทบ้างทำเขียงเท้าย้ามุงกระต่ายเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าย้าปล้องเองบ้างใช้ให้ทำบ้าง ทำเขียงเท้าใบเป้งเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าแฝกเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าขนสัตว์เองบ้างใช้ให้ทำบ้างทอดทิ้งอุทเทศปริปุจฉาอธิศินอธิจิตอธิปัญญาบรรดาภิกษุมักน้อยละจึงตำหนิประนาม โภนธนาว่าฉไหนภิกษุชาวเมืองพัทยาจึงขวนขวายตกแต่งเขียงเท้าหลายชนิดคือทําเขียงเท้าญ้าสามันเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทําเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทําเขียงเท้าญ้าปล้องเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทําเขียงเท้าใบแป้งเองบ้างใช้ให้ทำบ้าง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 ละภิกษุทั้งหลายชะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงขวนขวายตกแต่งเขียงเท้าหลายชนิดคือทำเขียงเท้าย่าสามันเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าย่ามุงกระต่ายเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าย่าปล้องเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าใบาป้งเองบ้าง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 รั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าย่าสามันไม่พึงสวมเขียงเท้าย่ามุงกระตายไม่พึงสวมเขียงเท้าย่าปล้องไม่พึงสวมเขียงเท้าใบเป้งไม่พึงสวมเขียงเท้าย่าแฝก ไม่พึงสวมเขียงเท้าขนสัตว์ไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยทองคำไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยเงินไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วมณนีไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วไัยทูลไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วผลึกไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยสัมฤทธ ไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยกระจกไม่พึงสวมเขียงเท้าทำด้วยดีบุกไม่พึงวว ส, พสวมเขียงเท้าทำด้วยสังกสีไม่พึงสวมเขียงเท้าทำด้วยทวองแดงรูปใดสวมต้องอาบัดทุกกดอหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าชนิดที่ต้องสวมเดิน รูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงอยู่กับที่ไม่ใช้สวมเดินสามชนิดคือเขียงเท้าสําหรับใช้ในที่ที่ถ่ายอุจจาระเขียงเท้าสําหรับใช้ในที่ที่ถ่ายปัสสาวะเขียงเท้าสําหรับใช้ในที่ชําระ